50 l ส n g เจ g e s การเตรียมตัวเดินทางคุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Sa ับเพียร์ท์เมียก็ฟริปักกิมาอย่าลืมอะไรนะไม่ต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่คุณต้องใ u ้กระเป๋าใบใหญ a อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ ä r า passi u n ุ s t a เราไปซิอ u นุสตาอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ är าเล n นนูบิเลตติต o น t สตาเรา n ล่นนูบ i เลตติตุนอย่าลืมเช็คเดินทางนะเราเรซิ c ช e คเคนุสตา ä r าเรซิเช c ค e คนุ s t a เอาครีมซันแทนไปด้วยนะวั t a p ä i k กับเซรมก a สั วัเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะคุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมตนว วัตถสตันอวกรติกะสะคุณจะเอาคู con, ่มือเดินทางไปด้วยไหมวัเริยุิกะวัเริยุิกะคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมวัสวิหมาวารกะะวัตวิหมาวาริโกะสะอย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ มุดเละพยั e l e เตะเละ e ั่งก k เตะ e ละมุดเละพ s t e ja l e no no s ä r เละสั่งกิ k i ะ e l e อย่าลืมเน็คไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะมุ e l ละลิบสุ e ต e เละเว้เตะเละ l อกกิเตะเละมุ tle ะลิบสุเตะเละเว้เตะเละยอกกิเตะเละอย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะมุดเละพิ a ามาเตะเละโอ้ คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบู e สุลลอนว่ายาก i งกี้สันตเทลและซาปปิสอนปคุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกันไกตัดเล็บุลลอนว่ายเซปปากก คุณต้องใช้วีแปลงสีฟันและยาสีฟันคุณต้องใช้วีแปลงสีฟันและยาสีฟันคุณต m อ a ใช ja ja a วีปลงสุณตองใช้วีแปลงสีฟันและสีฟ